อย่างสมัยก่อนเขบอกว่าทําไมพระพุทธเจ้าต้องเสด็จาริกพุทธดําเนินเนี่ยนะรอบอินเดียเนี่ยทุกปีส4ี่ปีเนี่ยนะสี่สปีเนี่ยพุทธดําเนินอยู่ตลอดเลยเพื่ออะไรก็บอกว่าเพราะคนตาบอดจะได้จะไ ด, จะได้ฟังธรรมคนหูอ่าขอไปคนตาบอดจะได้ฟังธรรมคนหูหนวกจะได้เห็นพระพุทธรูปจะได้เห็นพระรูปะนะคนไม่สบายจะได้ทั้งเห็นทั้งฟังธรรมคนที่ มีทรัพย์น้อยไม่สามารถจะหอบหิ้วสเสบียงไปไปทําบุญตามที่ต่างๆได้เขาก็จะได้ทําบุญคนไม่มีอะไรเลยก็ได้มีมือเนี่ยกราบได้มีมือไหว้เขาก็จะได้ทําบุญจะเป็นบุญเป็นวาสนาให้เขาได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตพันเพราะพระกรุณาของพระองค์นี่จึงเป็นกรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้ประโยชน์โลกนี้ให้ประโยชน์โลกนห น, ลกน้าและให้ประโยชน์อย่างยิ่งให้อย่างเต็มที่ครบถ้วนและ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 ได้รับสอนอมนุษย์ก็สอนสอนนาคสอนงูก็สอนสอนเดรัจฉานสอนช้างก็สอนเห็นไหมสอนลิงก็สอนสอนมนุษย์ไล่ไล่ต่าง่บอกว่าสอนระดับไหนหมักนายพรานเนศเพชฌฆาตนักฆ่าไล่ไปจนถึงโน่นอะอะไรมนุษย์พระราชามหากษัตรินะยักษ์ที่โหดร้ายจนถึงเทวดาสุดยอดใจดีแบบนั้นสอนหมดเกลี้ยงให้เขาได้ทั้งหมด นะไม่ลำเอียงแม้แต่นิดเดียวด้วยใจกรุณาว่าทําอย่างไรเขาจะได้รับประโยชน์และความสุขเขาจะได้พ้นจากความทุกขโดยประการใดๆเพันใจอันนี้กว่าจะเต็มเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะเต็มเปี่ยมแบบก็อะไรนะกว่าจะเต็มเปี่ยมเรื่องว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแปบดบเปื้อนบริสุทธิ์ผุดพองที่แท้จริงอย่างหนึ่งอย่างที่สองแบบให้แบบไม่มีที่สิ้นสุดบางคนเนี่ยใจบริสุทธิ์คิดจะให้แต่โง่ สำเร็จไหมไม่สำเร็จนะไอ้ปัญญาเนี่ยจึงสำคัญมันจะต้องวิคนะต้องมีความรอบรู้มองเห็นใครปั๊บน่รู้เลยว่าอดีตของเขาเนี่ยเพาะบุญบา ร, รมีมาบ้างไหมอนาคตต่อไปจะบรรลุได้ในชาตินี้หรือจะบรรลุชาติหน้าหรืออีกส0บชาติอีก20บชาติหรือจะบรรลุได้อีกกี่อาสงไขข้างหน้ามองเห็นปั๊บจะต้องรู้หมดเลย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 สิ่งที่ไร้ประโยชน์แม้แต่นิดเดียวไม่มีโดยที่สุดแม้แต่แอมว่า ง, งั้นเถอะแอมนี่ยังมีประโยชน์นะไอ้ก็มีประโยชน์บางคำเถอะอาศัยที่ไอ้นี่แหละสอนต่อเลยว่า ง, งั้นพันพงค์เนี่ยแม้กระทั่งกแอมยืนเดินนั่งนอนล้างหน้าล้างมือล้างเท้าชันอาหารทุกคำเนี่ยทุกกระวัตสำนวนว่าทุกลีลากระเบียดนิ้วมีประโยชน์ต่อคนอื่นทั้งหมด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 แล้วก็ต้องไปสร้างบารมีเพิ่มสร้างคุณธรรมเพิ่มจนได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดสงเคราะห์อนุเคราะห์เวเนยศาสตร์ทั้งหลายพันพราชาพระองค์นี้ก็ถือเอาพระพุทธเจ้าสิขีนั่นแหละเป็นแบบเป็นเยี่ยงอย่างเป็นประฐานแล้วก็ทำบุญตั้งความปรารถนาขอเป็นเช่นเช่นนี้แหละว่ากันรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสิขีก็มีอ่ะนะมีอยู่ว่า พสิกีผู้เธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์มีพระนครที่เกิดชื่อว่าอรุณวดีพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอรุณพระพุทธมารดาพระนางปะภาวดีพระองค์ทรงรครองราชครองคารวาตวิสัยอยู่เจ0 0พันปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังสวัสดกะคิริและนารีวหนะมีพระสนมกำนันสอง0 0นพันนางอัครมเหสีพระนามว่า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 นี น, นะถ้าเราเห็นอริยสัจนะเราไม่ต้องเดินเส้นทางมาเพื่อความแก่เช่นนี้หรอกนี่ที่เขามาแก่มาป่วยมาตายเนี่ยก็เพราะไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละพันในที่เรามารักษาโรคภัยไข้เจ็บมารักษาปลายเหตุมันต้องรักษาไม่ให้เกิดนั่นแหละว่าเอา้าห้ามไม่ให้เกิดใช่หระต้องคุมกำเนิดคุมคนอื่นหรือคุมตัวเองเกิดอาการเจริญอริยมร่างเนี่ยคุมไม่ให้ตัวเองเกิดในวัฏฏะไม่ใช่ไปคุมคนอื่นไม่ให้คนอื่นเกิดแต่หมายถึงว่าเน้นคุมว่าทำยังไงตัวเองจะได้ไม่ต้องเกิดใน อนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องอที่สุดของความเกิดก็คือแก่และความความเจ้าความแก่ความเจ็บและความตายมันเป็นผลผลิตของความเกิดอยู่แล้วพั้นก็เห็นนิมิสีประการก็ออกสแสวงหาโมกกระทำสแสวงหาธรรมเป็นที่หลุดพ้นพ้นจากทุกข์ให้พ้นจากความเกิดเมื่อพ้นเกิดก็พ้นแก่และวพ้นตายก็เลยออกพิเนสกรมขี่ช้างใช้ยานคือช้างออกไปบวช นะลงเรือก็ได้งเรือนั่งท ง, ง, ง, ง, งบินไปบวชนะบมันสูงกว่านายเรืตกเร็วสาหรับพระพุทธเจ้าพระนามวสิขีเนี่ยนะบเพ็ญบารมิ์บำเพ็ญเพียรรวบรวมโพธิปัจยะธรรมนะนะสำเร็จภายใน8เดือนเนี่ยนะใช้เวลา8เดือนรวบรวมโพธิปัจจะธรรมจึงไปที่โคนต้นโพจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะ พระมาหาวีระเสขีพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกผู้สงบผู้เป็นนระผู้สูงสุดอันท้ามหาพรมอาราธนาแล้วพระองค์ประกาศพระธรรมจักรณมิกระทายวันก็ประกาศธรรมจักรแสดงว่าป่าอิสิ ป, ปัตนมิกระทายวันนั้นสมัยนั้นก็ชื่อว่ามิกระทายวันก็คือที่ให้อภัยแก่พวกเนื้อ พระสิขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่พระองค์มีพระอาคาระัครสาวกชื่อว่าอภิภูและพระสัมภะมีพระพุทธอุปทาชื่อว่าเคมังกระเนี่ยนะเคมังกระผู้ทำความกเกษมเคมังกระเนี่ยนะเคมก็คือกเกษมปลอดภยัยกราแปลว่าทำผู้ทาความกเกษมปลอดภยัยเพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกนั่นะนะพระองค์มีพระอาคาระัครสาวิกาชื่อว่า มัคคีลาและพระปทุมมาโพพึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นบุนริกะหรือต้นมะม่วงพระองค์มีอัครอุปถาชายชื่อว่าเซเรวัถฐและนันทะอัคราอุปถายิกาอุปถาคู้หญิงชื่อว่าจิตตาและสุจิตตาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงเจ็ดสิบศอกเช่นเดียวกับรูปปฏิมาทอง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 ใช้ถือว่ามีเวลามากที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เพรา ะ, ะสามารถยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆกันดานนั้นเพราะว่าพระพุทธศาสนาถ้าดำรงอยู่ในโลกเนี่ยนะก็ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเพราะนั้นพระองค์เมื่อดำรงอยู่ในโลก mm hmm. คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าถ้าพระพุทธเจ้าพระสุคตรหรือวินัยของพระสุคตเนี่ยนะ ดำรงอยู่ในโลกนานเท่าใดสิ่งนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพันการที่พระองค์ดำรงอยู่ในโลกโดยพระชนมายุยืนก็ดำรงเพื่อประโยชน์และความสุขที่นี้ใช้คำว่าพระชนมายุเนี่ยในส่วนของรูปขันห้าของพระองค์แต่ในส่วนของคาสอนก็ยังสืบทอดพระองค์มีสรีระคือธรรมนั้นคาสอนก็เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้า น, นคำสอนของพระองค์ดำรงอยู่ในโลกนานเท่าใดคำสอนเหล่านั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกนั่นเองฉนั้นพระองค์ก็สามารถที่อาศัยพระชนมายุในส่วนร่างกายและก็ส่วนคำสอนของพระองค์ก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามกามโมคะทิศโขฆะโวคะให้ผ้ามพ้นจากอบายทุกติวินิบาทนารกข้ามพ้นจากชาติชารามรณะนั่นเอง ใ น, น, นพระองค์ทั้งพระองค์ด้วยพระสาวกของพระองค์ด้วยช่วยกันยังเมฆฝนคือทําให้ตกลงมานนะนช่วยกันโปรยปลายฝ น, นนะฝนคือธรรมะเนี่ยให้ตกลงมายังสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ชุ่มคือพระธรรมนั้นถ้าฟังถูกต้องอถ้าผู้กล่าวกล่าวถูกต้องผู้ฟังฟังถูกต้องพระธรรมเหมือนกับน้ําฝน น, น, น้ําฝนที่ตกลงมา ต้นไม้ใบหญ้าที่รับน้ำฝนก็จะชุ่มชื้นฉันใดถ้าสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ฟังฟังด้วยโยนิสโสมนัิการสิ่งที่ได้มาก็คือความชุ่มใจนี่นะนิวรสงบประงับจิตใจก็เ อ, อิบอิ่มและปราบปลืม้มมันอาศัยคำสอนอันนี้แหละที่ที่เป็นคำสอนเช่นกับเมฆฝนทำให้ถึงความกเกษมทาให้ถึงความ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 เมฆฝนที่หายไปฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อยังกิจทําประโยชน์ให้เสร็จแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นพระมหาตุริศลักษณะ32ประการ น, นะทา ง, งทั้งที่เพียบพร้อมไปด้วยอนุพยัญชนะทั้ง80สิประการนั้นก็อันตรธานไปสิน้นก็แปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สูญสิน้นดับสิน้นเพราะสิ้นเชื้อฉนใดสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าเนเท้ ขนาดผู้ทรงคุณอันสูงสุดผู้มีพระสรีระประดุดเพชรนะผู้มีบุญบารมีสร้างสมอบรมมาเนิ่นนาน น, นะบุญอนนะ้นผลแห่งบุญกุศลเหล่านั้นผลแห่งคุณงามความดีเหล่านั้นก็ยังอันตรทานแน่แท้ขนาดบุคคลผู้สูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ยังดับขันทัปรินิ พ, พานจะกล่าวไปให่ถึงสัตว์นอกนั้นเล่ า, านะจะกล่าวไปใายถึงสัตว์นอกนั้นเล่าถามว่า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 ก็ย่อมดับทุกเนี่ยนะเพราะทําลายเชื้อที่เป็นเหตุให้มีทุกเก็บอกว่าเป็นฝีก้อนสุดท้ายก็หายสนิทมังนงั้นนะแต่ถ้าเป็นแบบปุตุชนทั้งหลายก็โอ้ยมันเพาะขึ้นทุกเซลล์ว่างั้นนะอ่ะเพาะเป็นฝีได้ทุกอนูว่างั้นอนะ่ะตรงไหนก็เพาะขึ้นเนี่ยนะมันมีแต่ความเจ็บปวดทําท่าจะฝีอันนี้ทํำท่าเหมือนจะหายอันใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยนะยังไม่ทันหา ย, หายเลยอันใหม่ก็โผล่มาอีกแล้วเพราะมันเชื้อมัน ล, ลามแต่ต่อกันไป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 คล้อยรับไปเนี่ยนะเหมือนดวงอาทิตย์กลางวันใช่ไหมส่องสว่างท ำ, ทำกิจเต็มที่แล้วดวงอาทิตย์ก็คล้อยไปเนี่ยนะคล้อยไปรับไปฉันใดท้าหารตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชันนั้นเนี่ยนะสำหรับหลังจากที่พระพุทธเจ้าสิกขีผู้เป็นมุนี ผ, ผู้ประเสริฐดับขันปริณิพานณพระวิหารอัศารามนนะพระสถูปเจดีสถูปก็คือเจดีเนี่ยนะ อันประเสริฐของพระองค์ณนะวิหารนั้นสูงสามยนดสูงสามยนดก็สูงเท่าดอยอาสูงอาสูงเท่าดอยหลายๆดอยนะดอยบางดอยเนี่ยมันสูงมากก็สูงเท่าภูเขาบางลูกนั่นเองทีนี้สมัยหลังมาเขาบอกทายังไงจะให้เจดีมันสูงได้แบบนั้นบ้างง่ายมากก็ไปสร้างพระเจดีไว้บนยอดเขาไงมันก็เจดีมันก็สูงเองแนหะอย่างนั้นนะเอาฐานทั้งหมดเป็นองค์เจดีแล้วกันแล้วก็ตั้ง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 สำหรับพระพุทธเจ้าส่องสว่างรุ่งเรืองทั้งกลางคืนและกลางวันแต่ว่า ก, ก็แปลว่าหลังจากนั้นก็เหลือแต่แสงสว่างแห่งแสงไฟนะแสงสว่างแห่งแสงไฟก็ทําให้ตามมองเห็นรูปมองเห็นสีแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งคําสอนอยู่มามันก็มีตากระนั่งทําตาปริบๆเนี่ยนะ นั่งทำตาเปรบๆไม่เห็นอะไรเป็นที่พ้นทุกเลยเห็นแล้วนํามาซึ่งทุกอะเห็นแล้วมันความทุกติดตามมาครับว่ามีทุกขอย่างลงแล้วว่างั้นนะครับว่าชิ้นไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกใช่ไหมไม่น่าเชื่อมีตัดเล็บกันตรายตัดเล็บก็ยังทุกเลยไม่น่าเชื่อ น, น, นะนะสวดมนต์มาตั้งเจ็ดวันแปดวันเชื่อหายหมด มันก็ทุกชิ้นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เหตุอันสมควรให้ทุกันนะรอเวลาทุกขณะแหละแม่นดาฬิกาขอมือรองเท้าเสื้อผ้าอาพรที่อยู่ที่อาศัยในที่สุดมันก็ผลิตออกมาเป็นน้ําตาได้หมดน่ะกลั่นออกมาเป็นน้ําตาได้ทุกเรื่องเหมือนกันเถอะสุนัขหมูมากาไก่ทุกอย่างมันกลั่นออกมาเป็นน้ําตาได้หมดอ่ะที่นี้เพียงแต่ว่ามันเมื่อไรมันก็มีแต่ตามองเห็นรูปแต่ไม่มองเห็นอริยสัจไม่ได้มองเห็นธรรมพ่อที่จะพ้นไปจากความทุกข์เรียกว่า มีแต่แสงสว่างแห่งดวงตาแต่ไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาให้เห็นอริยสัจตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นอธิปไตยเอกราชของกิเลสมารและเทวปุตตมารก็ปราศจากเสี้ยนานา้ำพันพยา ม, านมานกิเลสมารก็เลงเต็มที่เลยนะเอาเลยเต็มที่เลยเนี่ยนะราคะเต็มที่โทสะกันเต็มที่ปล่อยผีปล่อยอะไรเต็มไปหมดเลยนะปล่อยผีปล่อยสางเต็มตัวหมดน ะ, ะนั้นกิเลสที่มีแค่ไหนอย่างไรเนี่ยทะลักออกมาท่วมทน้น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 ตอนนี้แกตายไปแล้วก็เลยเอามามาเล่าได้ลูกเกิดที่ไหนก็ไม่ทรา ح. บเมาหัวรามนะมันทั้งกิเลสก็เรียกว่าเอาเต็มที่เลยก็อเอาใหญ่เลยนะแมวไม่อยู่หนูร่าเริงคล้ายๆกลุ่มนั้นนะนะกิเลสเต็มที่พราะกิเลสตามานก็เอาเต็มที่เทพบุตรตมานั้งหลายก็ซัดเกล็นเต็มที่เพราะอะไรเพราะไม่มีแสงสว่างคือพระพุทธเจ้ามาคอยห้ามคอยปรามคอยตักคอยเตือนมันเรียกว่า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 นั tuo, i, la, ่นนะยิงนกตกปลาเรื่องอะไรไล่ไปเรื่อยสุดแท้แต่ว่าถ้าโตขึ้นก็คุยเรื่องฆ่าคนเรื่องก็ไล่ไปเรื่อยมันถ้านามาคุยเรื่องเว้นจากการฆ่ามดฆ่าปลวกเว้นจากการฆ่าปูฆ่าหอยฆ่าปลาฆ่าสัตว์ปีฆ่าสัตว์2เท้าฆ่าสัตว์4ี่เท้าคุยเรื่องเว้นจากการฆ่ามนุษย์อเว้นผู้เรื่องอะไรเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยว่างั้นเน่ยเขาบอกว่าต่อไปกุศเจตนาเว้นจากปานาติบาตไม่เข้าใจไม่ได้ยิน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 ที่วัดแห่งนั้นวัดใกล้บ้านตัวเองนี่แหละแต่ก็บอกโอ้ยพูดทําไมธรรมะเขว่างั้นพูดทําไมมันช่วยงานอะไรได้บ้างธรรมะเมาโอ้ทันข้าวพระพุทธเจ้าได้ยังไงไม่ทราบอะมันก็นึกถึงว่ามันก็เป็นอย่างนี้ว่าต่อไปเนี่ยนะแม้กระทั่งคําสอนเนี่ยสถาบันที่รองรับคําสอนก็ไม่ได้กล่าวคําสอนก็เรียนวิชาเดรัถิมันต่อไปคําสอนของพระพุทธเจ้าก็หมดไปจากโลกเมื่อหมดไปจากโลกทํำยังไง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 กับหนึ่งก็ยังไม่หมดนะกับนี่มันใหญ่โตขนาดนั้นทีนี้ถามว่าผู้ศาสนาอยู่กี่ชั่วอายุมนุษย์อย่างข้อของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่50รุ่นร่วมห้าหกิรุ่นแต่ห60รุ่นมนุษย์อายุแบบแหมอายุคนแค่นะอายุสั้นๆอายุนิดเดียวเองนะอายุแบบนิดเดียวนะอายุมากกวพวกถ้าเทียบกับพวกอบา ย, บ เ, ยเยอะกว่าจริงแต่ถ้าเทียบกับยุคสมัยอื่นๆนี่อายุน้อยมาก สมัยก่อนเขาบอกเด็กหญิงอายุร้อยปีควรแกการแต่งงานน่นะตอนนี้ถ้า 7-80 ปีไปแล้วนี่ก็เยโอ้ยอะไรก็ไม่ทราแล้วนะไม่ใช่เด็กหญิงแล้วนะพุทธศาสนาจึงมีอยู่ช่วครั้งชั่วคราวมีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีตลอดไปเมื่ออะไรจะมีสักทีหนึ่งก็ก็ไม่รู้พัน้าใครที่เรียกว่าพลาดโอกาสจากคำสอนก็ถือว่าเป็นการพลาดที่ชนิดที่เราใหญ่หญมากๆเลยนะพลาดจากอะไรพลาดจากประตูสวรรค์ ก็แปลว่าเปิดประตูอาบายเอาไว้รอแล้วนะกี่บาน ก, ก็สุดแท้แต่เวนแต่กรรมมันงั้นเธอเวนก็คือทุกศีลไว้เท่าใดก็นั่นแหละเวนเท่านั้นนะนะเมื่อเวนทําไว้กรรมมันก็ซัดไปเนี่ยนะนะมันก็ไหลจากทุกหนึ่งสู่กองทุกหนึ่งนะโอ้ยแค่หยดน้ําตาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยนะเนะขาบอกว่าถ้าเสียทรัพนะย์นะเสียนิดเสียน่อยเสียน้อยมากถ้าเสียน้ําตาก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งถ้าเสียเสียเลือดเสียเนื้อก็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 เพราะฉะนั้นถ้าพลาดจากคําสอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วแล้วตอนนี้คําสอนก็เริ่มหมดเริ่มค่อยๆสูญค่อยๆสลายไปเรื่อยๆเมื่อคนไม่เข้าใจเนี่ยนะไม่รู้จักคุณพระรัตนไตรก็ไม่เห็นคุณค่าของคําสอนเมื่อไม่เห็นคุณค่าของคําสอนเนี่ยนะอย่างเราไปที่ที่ต้นโพเนี่ยสูตรที่สวดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระไตรปิฎกนะปิฎกสาแต่ตอนนี้สวดอิติปิโสกันเป็นสวดทาหงุงเป็นเหลือนี้เดียวเท่านั้นเองจริงๆเหมือนกับว่า พระไตรปิฎกมีมากมายเอามาอ่านกันไม่กี่หน้าเองเนี่ยนะก็เหลือกันน้อยเดียวเ น, นี่ยนะเหลือนิดเดียวจริงๆนะเหลืออยู่ไม่กี่สูตรเพราะฉะสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าเห็นใจว่าอ่หน้าหน้าสังเวชสลดใจว่าเนี่ยศาสนาในยุคนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้ว